บุคนความตังวลเรื่องเกิดต คนต้องเกิดองยินตายรีบสร้างปัญญาแสวงหาสิดิ์สิทธิ์ศาสนาที่แต้ตองหลับใหลมาเข้าใจขันหักจะไม่ถามปัญหาเกิดใจสิ่งความงมงายเพราะมีปัญญา ไ, ไม่มีใครไม่มีคนต้องอาต้องตายรีบตางปัญญาแสวงหาสติสับใจาายาทเห็นต้องละให้หายเข้าใจันาจะไม่ทามปัญหาเกิด ความลนมนายพร้อมีปัญญาดวงตาเห็นทาง